พอออกมาเฮลยนั่งของน้าไม่ได้เรื่องเหนื่อนาวและเลยวันนี้สิ่งที่ได้เรื่องไมพูดละเรื่องอะไรในเรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายนัยงนสิเรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอ า, เอาสินจากอาัด จ, จากทำเหมือนศาสนาเป็นนี่สินของคนเราเป็นเจ้าหนี้ศาสนาทวงอัดทวงทำเป็นเจ้าหนี้ของอัดของทำทวงเอาแับท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดี ก, กับตัวเอง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 อวิชาปัญญาสร้างข้าระเป็นต้นทีามีอยู่ในพระการมีอยู่ในพระจิตนั่นด้วยกันก็จงใจตองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาพริตาสามารถหรงชลาลรู้ขึ้นมาในปัญญามาอยอากโดยอวิชาปัญยาที่ครูมนุษย์ครูสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยว อยู่ในวัตวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวก ต, ตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลาดปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระไทยว่าอาศวะขย า, ยานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเพื่อนมุ่นมนอนตการทั้งหลายนอกจากนั้นยังจิตูปารายานอืกนยูความเกิดความดับของตัดของพระองค์ยาน ไ, ไหนก็ทรงภาพไปหมดโดยตอลอดทัวถึง